<c oughs> อารทมกนะันเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการเช็ษาปฏิบัติให้ปฏิบัติตามทมให้ทำนำพาคนเราก็มีการมีใจ เอากายเอาใจมาปฏิบัติตามธรรมเราเกิดมาเกิดผลเกิดความดีขึ้นเจอคนคนหนึ่งเมื่อคนคนหนึ่งมีความดีก็จะได้ทำดีมีขามีแขนมีปากมีเสียงมีตามีหูมีคุยชีวิตจิตใจก็จะได้ไปทำประโยชน์พูดยไปที่ได้ปฏิบัติ ก็ได้คุณค่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมาตอบบุญทันคุณพ่อแม่ซึ่งมีคุณต่อรอมากเราอยู่กับธรรมชาติดินฝ้าอากาศแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำเราจะมีประโยชน์แต่รักษาช่วยกันจากคนคนหนึ่ง มาปฏิบัตินี่มันชื่อๆตรงๆเหมือนกระดักเรียนพุทธศาสนาอเรียนศาสนาจริงๆถ้าเวลาใดที่เรามีกายมีใจนี้เอากายเอาใจมาสัมผัสกับความรู้จึกตัวเข้าไปนี่คือศาสนาคือคนเนี่มีกายมีใจนี่เอามาต่อเอาศาสนา ศาสนาคือกาสอนสอนกายสอนใจคนเราดิแต่คนก็มีกายมีใจเราเคยใช้กายใช้ใจผิดพลาดมาก็มีมันก็ไปติดต่างอื่นซะติดชิเลตัญหาติดราคะติดโกรธติดโลภติดหลงติดชุกติดชุกติดความรักความชังดีใจเฉยใจเมื่อมาติดควง ไม่ถูกต้องก็เกิดทุกข์เกิดโทษตัวตัวเองแล้วคนอื่นจิง่งอื่นวัตถุอื่นแล้วก็ทำให้เดือดร้อนกันจนมีตัวบทกฎหมายมีกองทัพมีอาวุธมีคุก ม, มีตารางขึ้นมาก็ใช้กายใช้ใจผิดท่านเองมี่มาลงเรียนเข้าลงเรียนพุทธศาสนา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 ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามเขามีโรงเรียนปอนเนอร์ไม่ใช่วิจารณ์นะนักเรียนบอนน์เนอรนี่มีค่าหัวปีหนึ่งหลายหลายหลายหมื่นบาทคนคนหนึ่งต้องจ้างเรียนบอนน์เนอร์เรียนศาสนาอิสลาม ครูผู้สอนก็จบเป็นชัช่วโมงชั่วโมงละหลา ย, ลายพันบาทศาสนาศาส <c oughs> <c oughs> นาพุทธจะเรียนบาลีอสามันบาลีแต่มันเรียนออกนอกไปตามตามหลังยัง เ, เรียนสามันทั่วไปเรียนไปทางอื่นซะอันนี้ก็มีค่าหัว สำบเนินเป็นเรียนหนังสือรปเรียนสามันก็มีค่าหัวปีหนึ่งก็หลายพันหลายหมื่นบาทเหมันกันแล้วก็ถ้ามีสำนักเรียนมีโรงเรียนเปิดโรงเรียนได้ผู้ที่เป็นอาจารย์จะรอสะได้เปเรียนซะ าสามารถเปิดโรงเรียนได้ถ้ามีนักเรียนร0อยคนก็ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ทำหน้าอาจารย์ใหญ่ก็มีเงินเดือนถ้านักเรียนสองอคนก็มีโห อ, อก็มีเงินมีทองมากบายแต่วิชากรรมฐานนี่ปีเลยไม่มีค่าหัวอะไร เรก็ต้องเสียสละมากันเองอย่างนี้ถ้ามีเงินมีทองเหมือนดิฉลองก็จะจ้างเหมือนกันนะแต่บ้นไม่มีเงินมีทองจะจ้างคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้ข้าวหัวคนละเทิมลวเทิมไปเลย อั น, นี้เราก็ทุนของเราคือศรัทธานี่แหละมีสาธาวัตถุมีที่อยู่อาศัยเป็นทุนของเรามีอาหารเป็นทุนของเรามีเรื่องนุ่มหมนงห่มปชชชเป็นทุนของเรามีประชาชนชาวบ้านเป็นทุนของเราเหม่นกับมนุษย์ที เวียนทบาบ่าก็ได้เข้ามาพอได้อยู่ได้ฉันกันบ้างอันนี้ก็หรือว่าอุ่นใจนะอยากเห็นคนเนี่ยที่มีกายไม่ใจเนี่ยเอามาต่อความดี เมื่อมีสติรู้ตัวรู้กายเคลื่อนไหวแล้วเวลามีสติเห็นกายเคลื่อนไหวก็จะเห็นใจมันคิดจะได้สอนกายทั้งสอนใจด้วยใจกายก็ไม่ถูกสอนไม่ปล่อยให้เกิดความรู้จึกตัวเนี่มาเกิดคุณญภาพขึ้นมากลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้นกับกายกับใจของคนเนี่เมื่อศีลเกิดขึ้นในกายที่ใจนี่ ส่นคนหนึ่งก็จะมีประโยชน์คุ้มค่าศาสานาก็จะมีที่พึ่งอย่าด้วยช่ช่วยศาสานาบอกขิดบอกถูกต่อผู้ต่อคนถึงทั่วถึงไปถึงดูกถึงหลานถึงการดั่ยาวไกลาอากว่าคนไม่ศึกษาเรื่องความถูกต้องที่ ปลายที่ใจเราก็จะมีแต่ยกโทษเกิดขึ้นทั่วไปเกือดร้อนทั่วไปคนคนเดียวสองคนสามคนไม่พอก็ความชั่วก็หนักกัาความดีน้ำน้อยก็ยอมแพร่ไปช่วไม่ได้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 มีัทธาอย่างนี้มีการมีใจลงทุนกันเองอะ น, นี่ร่วมหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทบริษัททีมีพระภิกษุสงฆ์มีแม่คีมีอุบาสกคือผมผู้ชายมีวาสิกาคือผู้หญิงเรียกว่าบริษัทหุ้นส่วน ไหวทองมาจเจริญงอกงามเกิดมากเกิดผลขึ้นมากมากยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปหีืิตของเราก็จะมีค่าตรงนี้ยกเ่อร์ไหวตัวเองได้ที่เกิดมามีค่าแล้วเงินทองเหรียญจบสูงๆูงก็ไหวได้ประโยชน์เรื่องนี้ มไม่สูญใจสูกใจไม่ได้สัมผัสกับความถูกความผิดไม่ได้สอนความผิดให้เป็นความถูกมันก็จะไม่มีค่าก็จึงเป็นเรื่องที่ช่วยกันไม่ใช่เมื่อใค ร, ใครที่ใดที่หนึ่ง เดี๋ยวนี้เจ้าพูดเราเนี่ยแม้เข า, าจ้จักคำสอนพุทธเจ้าสำลาก็มีอ่านเป็นตัวหนังสือก็มีเหยื่อไว้เป็นพัดไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีก็ 4.5 เล่มแต่แปลเป็นภาษาไทยก็80เล่ม สอนอย่างไรแล้วนำมาปฏิบัติมาสอนตัวเองพิจเจ้าสอนเรื่องอะไรลางทีเราจะไม่รู้โดยส่้นไปได้ประโยชน์หลจากการ ศ, รศาึกษาพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะตอบไได้ ถ้าเราไม่ศึกษาไม่สมผัสกับพือมถูกต้องที่มันอยู่ในกายใใจเรานี่ยแม้แต่ตัวเองก็ไมได้ใชุ่กก็เป็นสุขแบบนั้นทุกข์ก็เป็นทุกข์แบบนั้นโกรธโลภหลงก็ยังโกรธ โ, โลภหลงอยู่เช่นนั้นไม่ได้ใช่ธรรมะไม่ใช่ศาสนาเลยแต่ก่อยต ทุเก็บก็ทุบตายก็ทุบลองให้มี่เท่าไรก็ลองให้เสียใจกันหมดทีด่กระทำความตามความความโกรธเห็นค่าเบียดเบียนกันก็ยังมีอยู่นักโทษในประเทศไทยตยจันคดล้นคุกต้องผมราชธันต้องาบานหาเงินสร้างคุกเพิ่มก็ดีกิก็เพียงพอ ประมาณที่ได้จากแผ่นดินก็ไปเลี้ยงนักโทษก่นที่จะมาสร้างประเทศชาติให้มันดีเป็นอู่ข้าวอวหน้าเป็นแหล่งอาหารแต่นี่ก็แม้แต่รัฐบาลก็นะตัวแทนของประชาชนก็มีปัญหาเกิดร้อนกัน เดินกับวนทั่วประเทศเวลานี้ปากเตือภาคใต้ภาคิจสานทะเลาะกันวุ่นวายกันใหญ่แข่พักแก่พวก แ, กแกขกมบแขกนาเป็นพักจแจ้งกันทะเลาะกันเอาสมมติมาเป็นคที่ทำไมทะเลาะกันได้เพือใเห็น ไม่ตรงกันเลาะกันอาจจะ ก, กินค่ากันได้เป็นประเทศเพื่อนบ้านขคมเปนสามฝ่ายเลาะกันอันนี้จะเกิดไทยสามฝ่ายสฝ่ายไปดูหัวกะโหลกเลว่านี่ประเทศแคมเนเป็นเหมือนเหมือนเฉิน เ, ฉ น, เ, ฉ น, เฉนหัวเจ็บใจคังเอาไว้โกงเอาไว้ กระดูกที่ลูกค่าตายเวลาเกิดจุกฝังคามศาสนาประเทศนี้ที่มีพุทธศาสนาก็อยู่ไปได้เอ็นเวียดนามไม่มีาศาสนามีคนหนุ่มคนสาวปฏิบททัติธรรมอยู่กันเป็นกลุ่มตอนบวกลงมาจา โลกคนอยู่อย่างนี้ไม่ทำงานทำการก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> คนต้องทำงานทำการทำงานหาจินโย่าอยู่ประเทศไทยด้วยบ้านพร้อมในขาใหญ่ใน้รงสาวสาวต่างนั้นมาศึกษาธรรมะ อยู่ประเทศเขาไม่ได้อันนี้ประเทศแต่ยังมีเดินเข้าวัดยังจงอาการมอยู่จนนี่ไม่มีใครมาไล่เรานะเป็นนักบวชจนตายมาเป็นญาติเป็นโยมอยู่ในวัดป่าลาอมก็พระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่ ก็ยินดีต้อนรับอยู่เสมอเห็นคนมาเข้าวาดปฏิบัติรู้สึกอุ่นใจยินดีในที่อยู่อาศัยจัดความสะดวกให้ตามฐาน ะ, ะนอกจาก าศาสนาบุคคลที่อยู่ที่นี่าศาสนบุคคลที่อยู่ภายนอกก็มาสร้างกติกา ใ, ให้เราอยู่สร้างกติกาสาเร็จกอมกเจะให้วัดไอ้พระสงฆ์ผู้เป็นผู้น้อมที่นี่ก็บอกว่า กตินี่หนูมาสร้างไว้ให้คนมาได้อาศัยปฏิบัติถ้าคนมาใช้ปฏิบัติแล้วก็บุญออกดอกถ้าคนไม่มาใช้บุญก็ไม่ค่อยออกดอกความสงของผู้มีศรัทธาสร้างกะิไว้ในวัดนี่เป็นอาจจะเป็นถึงร้อยหลัง แล้วก็มีพานหลวงก็ว่าได้ดูแลรักษาไว้ซักผ้าซักผ่อนไว้ให้ผมให้ใช่อันนี้ก็เป็นทุนอยู่ทำไงพวกเรามันไม่มีปัญญาทาันเลยแล้วที่จะสอนคนที่มีการมีใจให้เข้าถึงทำ นอกจากวิชากรรมฐานนี่เท่านั้นให้มาสัมผัสตูตัวใครตัวมันทำให้กันไม่ได้ก็อยากได้อยากได้ญาติญาโ ย, า ย, า ย, ายบยาอยู่ที่ดีเพราะญาติจอมไม่ครอบไม่คัวไม่ลูกไม่หลานไปทํามาหากินก็จะได้ทําประโยชน์จะ่นอกกับญาติ ยาตถัจะยาประโยชน์ต่อญาติเขาต่อใครมีญาติดีพ่อแม่มีลูกดีพ่อแม่ก็มีความสุขลูกที่มีพ NO ่อแม่ดีลูกก็มีความสุขสามีที่มีพัญญาดีสามีก็มีความสุขปัญญาปัญญาที่มีสามีดีปัญญาก็มีความสุขเพื่อนที่มีเพื่อนดีก็เพื่อนก็มีความสุข พระาจไทยคนดีเราก็มีความสุกสงบร่มเย็นอย่างนี้วก็มีทางเดียวเท่านั้นไมาใช่ไปเจน บ, บังคับเอากฎหมายและทางานูนเอามาอยู่ลักหลารอบจนได้คนหนึ่งรักษาคนหนึ่งก็ะทำลาย มันไม่เพียงพอก็จึงมาช่วยกันหน้โตตตยาประโยชน์ต่อโลกพุดดกัสยาประโยชน์ต่อพระชาธนาจะได้เชือทอดทไปยาวนาวมีหลักมีฐานต่างที่เชื่อปันมาหนิปม้มเห็ะเถิดพระ โซน่าพระอนุรุพระอรุตุตละสองอินเดียสองโลกเพลนัาา้าตาดหนามาตะกัวป่าประเทศไทยว่าสวรรณภนภพก็ยังไม่ถึงพวกเรานี่ประมาณเป็นตายร้อยปีมาแล้วมีบรรพหลุษมีบุรพาจารย์ยนมาถึงยุค ผัวอาจารย์เขาเหล่าที่ได้สัมผัสมาก็มีคนสืบมาประโยชน์ต่อพระศาสนามีคนสอนกันอยู่จริงๆแล้วก็สัมผัสได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่หลอกใช้ลวงมาสัมผัสโดยสว่าและวางความรู้สึกตัวไปเป็นผู้ดูแลกายใจกายใจจะเป็นยังไงเมื่อมีผู้ดูแล ไมาจะเกิดอะไรขึ้นที่ปัญหาเป็นภัยอันกาย ใ, ใจที่มันเกิดกับกายกับอะไรไม่เกิดขึ้นจะได้ช่วยกายช่วยใจตนเองจะได้ช่วยให้สิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกมาดูสิเดินความทุกข์กับความรู้จักตัวนัน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 ลอยข้างฝันหวนดูจิมันจะเป็นไงกายใจที่มันสอนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้อ ย, อยู่ธรรมะเนี่ยเบื้องแรกตอนแรกมีสติมีสติสสปนในกายเป็นประจอมมีความเพียรมีสชอมฉัญญะ ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาซะให้หมีความรู้สึกตัวพรเจ้าสอนอย่างนี้เบื้องต้นก่อนตัดสัรู้พระเจ้าสอนตัวเองอย่างนี้เราก็ยังสอนกันอยู่เดี๋ยวนี้อันเดียวกันครับเดี๋ยวนี้ความรู้สึกตัวสบายครับคนเจ้ากับความรู้สึกตัวเดี๋ยวดีอันเดียวกันเลยคนทั้งมีกายมีใจอันเดียวกันเลย ไม่ใช่เพศใช่ไหวนอกเหนือรัฐีดีกยทั้งหมดเลยมาสัมผัส ด, ดูจะได้คาตอบเองทุกขิปิดไม่ต้องถามนี่คือของเทศของกิงมันไม่มีคำถามดอกไม่แต่คำตอบตอบเอาเองทุกคนอะไรเกิดขึ้นถ้ามีติต เหมือนตาเหมือนหน้าลกเราก็ต้องรับผิดชอบเหมือนพ่อเหมือนอแม่เฉลิมพ่อแม่ที่มีลูกก็ต้องรับผิดชอบลูกป้องกันแก้ไขคุ้มครองทันทีเลยทีเดียวตติคุ้มครองก่อตติคุ้มครองใจล้วก็ไม่มีภยัยปลอดภัยได้ไม่มีเลยไม่เลยปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไม่ได้ กืลืร้อนสงสารกายสงสารใจจะปล่อยให้เป็นทําผิดไม่ได้เมื่อเราคุ้มของอล่อยคุ้มของบ้านคุ้มของเหลือนคุ้มของทรัพสมบัติแล้วก็ตก้องเกีวสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องทันที เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ธรรมชาติว่าธรรมะอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันเตไม่เมิอดร้อนอะไรพอจะวางอะไรได้ก็มาใช้ชีวิตยอย่างนี้ลองดูว่า สอนตนเดแลลวก็จะเห็นชิดช่วยคนอื่นเป็นการช่วยคนเด่นนี่จำเป็นจเป็นงั้นปล่อยกันทิ้งมาได้ปล่อยสิ่งที่เปิดผิดให้เกิดขึ้นไม่ได้ทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกนี้จเราไหม เห็นความถูกความผิดวก็จะไม่ดูจักป้องการแก้าขาัขความดีก็ไม่เกิดขึ้นมันจะความว่ายเกิดขึ้นกิบหายวายรอนอะรนะ อบร์ น, นีก็พอสมควรเอาไปประกอบไปปฏิบัติตามไม่มีกายเคลื่อนไหวนีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดจะได้สอนกายสอนใจตัวเองกายใจจะได้มีค่ า, ม, คามีคุณขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลส่งผลลัเย็นในชีวิตปัจจุบันด้วยกันทุกคนเถอะ